หัวข้อเครื่องยับยั้งโทสะ 1. สิ่งร้ายชีวิตได้แก่สิ่งที่เหนี่ยวรังไม่ให้เกิดโทสะร้อนแรงจนเกินขอบเขตเช่นธรรมชาติที่เจริญหูเจริญตาร่มไม้คลายร้อนธรรมชาติที่เจริญหูเจริญตาธรรมชาติเช่นพืชพันธ์ต่างๆนั้น ไร้ชีวิตในแง่ที่ปราศจากเจตนาก่อกรรมและการรับผลกรรมแต่ก็มีชีวิตในแง่ที่เติบโตได้และมีวิญญาณรับรู้ความเป็นไปรอบตัวได้คนรักต้นไม้มักมีความสามารถสื่อความรู้สึกกับวิญญาณของต้นไม้และพวกเขาก็จะทราบว่าต้นไม้ส่วนใหญ่แผ่คลื่นความเย็นเป็นวงกว้างน้อยพันที่แผ่คลื่นความน่าอึดอัดหรือน่าระคายออกมา ความเขียวของแมกไม้และสีสันสะดุดตาของไม้ดอกทำให้จิตใจคนเราเยือกเย็นลงได้จริงดังนั้นมนุษย์จึงนิยมปลูกสวนหย่อมไว้ในบ้านเพื่อทำความชุ่มชื้นให้ตนเองถ้าใครอ้างว่าไม่มีทุนไม่มีอนาบริเวณสำหรับสร้างสวนหย่อมก็อาจแหงหน้ามองท้องฟ้งฟากว้างโลง่งกลางวันมีปุยเมฆขาวกลางคืนมีดวงดาวพร่าพราย ภาพกระทบตาที่มีในธรรมชาติเหล่านี้บรรเทาความรุ่มร้อนในอกได้กับทั้งเมื่อทวินหาสิ่งเหล่านี้บ่อยๆก็ปรุงแต่งจิตให้อ่อนโยนนุ่มนวลลงป้องกันหรือลดความเป็นคนขี้โมโ ห, โหลงได้เสียแต่ว่าคนขี้โมโหจะไม่ค่อยรู้จักสังเกตภาพน่าจเจริญตาตรงหน้าเพราะมัวไปนึกถึงภาพหน้าชิงชังในใจที่ร้อนรุ่มของตนเองแทน เสียงของธรรมชาติที่เรื่อนหูอาจมีผลเท่ากับหรือมากกว่าภาพเย็นตาเสียอีกเนื่องจากจิตคนทั่วไปอาจละความสนใจจากสีสันรูปทรงอย่างรวดเร็วแต่จะเพลินฟังสำเสียงต่างๆได้นานกว่าทั้งนี้ก็เพราะจิตมนุษย์มีลักษณะคล้ายคลื่นมากกว่าจะเป็นรูปทรงดังนั้นจึงมีความแปรตัวตามกันได้กับสิ่งที่เป็นคลื่นมากกว่ารูปทรง คุณจะพบว่าเสียงคลื่นกระทบหาดเสียงน้ำรินหรือเสียงสายลมผ่านแมกไม้อาจเหนียวนำให้จิตเปลี่ยนระดับความวุ่นวายลงสู่ความสงบราบคาบได้อย่างรวดเร็วขอเพียงตั้งใจเงี่ยหูฟังอย่างต่อเนื่องดีพอร่มไม้คลายร้อนต้นไม้มีคุณกับมนุษย์มากมายให้ทั้งร่มเงาหลบร้อนให้ทั้งอากาศที่สดชื่น ให้ทั้งความโล่งโถงเปิดรับการมาของสายลมคนที่ชอบนอนพักใต้ต้นไม้หลังทำงานเหนื่อยอ่อนจึงมีความอ่อนโยนและระงับความโกรธได้ง่ายกว่าคนใช้ความคิดอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันโดยรวมจะเห็นว่าธรรมชาติให้เครื่องบรรเทาโกรธไว้มากมายแต่คนอาจไม่มีเวลาใส่ใจดูหรือใส่ใจฟังน้อยคนที่รู้จักธรรมชาติ เข้าถึงความรู้สึกสงบอันเกิดจากสัมผัสทางธรรมชาติเปรียบสเสมือนคนที่เอาแต่นั่งกลางวงล้อมของกองไฟโดยไม่สังเกตว่าถัดจากเขตที่นั่งไปนิดเดียวคือลำทานใสยเย็นยิ่ง 2. สิ่งมีชีวิตได้แก่บุคคลผู้มีเมตตาธรรมสูง บุคคลที่มีเหตุผลดีบุคคลอันเป็นที่รักและเข้าใจกันตลอดจนสัตว์อันเป็นที่จเจริญหูจเจริญตาของมนุษย์บุคคลผู้มีเมตตาธรรมสูงจิตใจของคนใจดีมีความเย็นจากกระแสสุขอันคงเส้นคงวากระแสสุขจะค่อยๆปรับค่อยๆกลบกลืนกระแสความร้อนในจิตของผู้ใกล้ชิดได้นี่เป็นทรนองเดียวกับคนรักต้นไม้ ที่อยู่ใกล้ต้นไม้แล้วซึมซับคลื่องความเย็นจากพวกมันมาต่างกันตรงที่คนใจดีมีเมตตายัางเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นว่าวิธีพูดวิธีต้อนรับสถานการณ์ร้ายๆตลอดจนวิธีเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสควรทํากันอย่างไรเพียงจดจําวิธีพูดและวิธีทํำของคนใจดีไว้แม่นๆชีวิตก็มีสิทธิโน้มเอียงไปในทางเย็น เป็นคนโกรธยากขึ้นได้แล้วบุคคลที่มีเหตุผลดีคนมีใจเที่ยงธรรมเห็นเหตุว่าเป็นอย่างนั้นคนจึงเป็นอย่างนี้แม้จะยังเป็นคนธรรมดาที่รักโลภโกรธหลงได้เหมือนใครอื่นก็อาจเป็นเครื่องระ ง, งับยับยั้งโทสะให้คนอื่นได้เนื่องจากมนุษย์ทั่วไปมักขัดแย้งก้ามกึ่งกันอยู่ระหว่างอารมณ์และเหตุผล พอได้ฟังคนมีเหตุผลดีมีใจเป็นธรรมเห็นตามจริงผ้าของอารมณ์ก็ย่อมลดระดับลงและเปิดทางให้ผ้าของเหตุผลเพิ่มระดับขึ้นบุคคลอันเป็นที่รักและเข้าใจกันคนที่รักคุณกับคนที่เข้าใจคุณอาจไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ถ้าคุณโชคดีมีคนคนนั้นอยู่ในชีวิต เขาก็จะดับร้อนให้คุณได้เกือบทุกสถานการณ์กรรมจะตัดสินให้คุณได้มีคนประเภทนั้นอยู่ในชีวิตหรือไม่และกรรมที่ว่าก็คือการเป็นผู้เคยให้ความเห็นใจยอมทําความเข้าใจและหมั่นเอาใจเขามาใส่ใจเราหากคุณไม่เคยทํากรรมประเภทนี้ไว้กับใครหรือไม่สนใจที่จะเริ่มต้นเสตีก็อย่าหวังจะได้มีใครพยายามหันมาเข้าใจคุณ ทั้งชีวิตของคุณจะรู้สึกเหมือนตกอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเข้าใจอะไรคุณเลยสักนิดสัตว์อันเป็นที่เจริญหูเจริญตาของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นส่วนประกอบของธรรมชาตินั้นเพียงใช้ชีวิตตามปกติของพวกมันก็ทำความรื่นรมให้มนุษย์ได้แล้วเช่นแค่นกเกาะกิ่งไม้โดยไม่รู้ตัวก็อาจกลายเป็นส่วนประกอบของทิวทัศ ที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ป่วยกล่าวไปใยสำหรับสัตว์เลี้ยงน่ารักที่คุณให้ความรักความอบอุ่นความผูกพันเพียงมันเห็นคุณกลับบ้านและเข้ามาเคล้าเคลียคุณก็ลืมได้ว่าโกรธใครอยู่และพื้นที่ความโกรธในจิตใจถูกเบียดบังไปให้ความรักความเอ็นดูสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณแล้วโดยรวมจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิต ก็เป็นเครื่องห้ามหรือเครื่องบรรเทาความโกรธให้แก่กันและกันได้โดยเฉพาะชีวิตที่มีความเย็นก็อาจเป็นแหล่งกำเนิดความเย็นที่กระเพื่อมไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นในวงกว้างได้ทีเดียว